คนเรานี่โอกาสจะได้ฟังธรรมะนี่เป็นกรรมใหม่ที่ดีมากๆเลยนะนี่ถือว่าโชคดีมากเลยนะเอาถึงเจ็บไข้ได้ป่วยก็ยังอยากจะมาวัดอ่ะนีะ่ความเจ็บไข้ได้ป่วยความทุกข์ทําให้เราหันเข้ามาหาธรรมะทําให้เกิดผลดีแก่เราเข้าใจไหมอย่าไปทุกข์ที่นี่เข้าใจไหมเนี่ยร่างกายป่วยไข้ ก็ให้เป็นเรื่องร่างกายอันนี้แหละเป็นผลกรรมที่เราได้มาเข้าใจไหมทุกคนที่นั่งอยู่ในนี้มีกรรมเก่ามีกรรมเก่าให้มาหมดเลยนะเนี่ยกรรมเก่าคืออะไรพระพุทธเจ้าพูดถึงกรรมเก่าว่ายังไงกรรมเก่าก็คือตัวเหล่านี้เนี่ยที่เลืนมาเป็นตัวเราทุกคนเนี่ยได้มาด้วยอำ น, นาจของกรรมเก่าสิ่งที่ที่มันเวลาเราจะใช้กรรม เก่าเนี่ยเวลามันจะเกิดกรใหม่เนี่ยมันเกิดจากการกระทบอารมณ์เกิดทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจมาได้หกทางนี้เนยอย่างถ้าเราเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยมันมาทางกายแล้วมันจะมีผลต่อจิตเรามีผลต่อจิตเราทำให้จิตเราเนี่ยไม่สบายทำให้จิตเราเป็นทุกข์ แต่ถ้าเราคิดปรุงแต่งไปในทางไม่สบายไปปรุงแต่งไปอันนี้เป็นกรรมใหม่แล้วถ้ามีสติเห็นเห็นว่าเออตอนนี้จิตเรามันคิดจิตเรามันนึกจิตเราปรุงแต่งไปอย่างนี้ใช้กรรมไปเลยใช้กรรมไปเห็นว่ากรรมเนี่ยคนเราเนี่ยนะถ้ามันคิดไปในทางเป็นทุกข์ ในทางไม่สบายใจอันนี้ก็เป็นอำนาจของกรรมเก่าเวลาเวลามันมันคิดมันเคยชินอ่ะมันเคยชินไอ้จิตเราเนี่ยมันเคยเป็นทุกมามันก็จะปรุงไปในทางเป็นทุกข์ถ้ารู้ทันมันจะดับถ้ารู้ทันมันเราไม่ไปยึดว่าเป็นเราเนี่ยมันจะดับพอมันดับแล้วก็ไม่มีกรรมเพราะนั้นสำคัญตรงที่มีสติรู้ความรู้ตัวเนี่ย อันนี้สําคัญมากที่สุดเลยนะเอาไหนๆก็พูดเรื่องกรรมแล้วเนี่ยวันนี้ทุกคนมีกรรมดีเกิดขึ้นทุกคนเลยอันนี้เป็นส่วนของกรรมดีนะเนี่ยที่เราเคยทำมากรรมเก่าให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจเรามานี่เป็นเรื่องของกรรมเก่าผลของกรรมส่วนอนื่นๆก็มีอีกด้วย ที่มันไม่สามารถสเสวยผลของกรรมคือไม่มีวิบากมันเป็นเหมือนกับว่าเป็นผลของกรรมเฉยๆอย่างไอ้ไอเนี่ยเนื้อของเราส่วนนั้นส่วนนี้ที่ไม่เกี่ยวกับตาหูจมูกลิ้นกายใจมันเกิดแล้วก็ดับแตกดับสลายไปเกิดแล้วแก่ชราไปตายไปตายไปอยู่เนี่ยข้างในเราเนี่ยร่างกายของแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยมันมีความแก่อยู่ในตัวของมันเอง แตกดับสลายไปอยู่ตลอดเวลาในร่างกายเราแล้วมันก็แสดงออกมาว่ามันแก่มันชราภาพนี่คือความเปลี่ยนแปลงอยู่ด้านในแล้วมันก็ปรากฏออกมาภายนอกอันนี้เป็นผลของกรรมเก่าเหมือนกันแต่ที่เป็นวิบากจริงๆอะ่ะที่ทําให้เราเป็นทุกข์ทําให้เราเป็นสุขทําให้เจอสิ่งดีๆสิ่งไม่ดีเนี่ยอันนี้มันเข้ามาทางตา หูจมูกลิ้นกายใจอย่างวันนี้เนี่ยกรมดีของเราให้ผลให้ผลคือเราได้มาทำกรรมดีได้มาวัดไกลขนาดไหนก็อุตส่ามาดูสินี่ถ้าไม่ใช่กรรมดีฝ่ายดีให้ผลน่ะมันมาไม่ได้นะเนี่ยกรรมดีฝ่ายดีก็มีฝ่ายไม่ดีก็มีเพราะคนเราเนี่ย มันทำทั้งกรรมดีแล้วก็กรรมไม่ดีมาเนี่ยวันนี้เรียกว่ากรรมดีให้ผลให้ผลก็เลยมีโอกาสได้มาวัดจะมาด้วยเหตุใดก็ตามแต่เราได้มาแล้วเนี่ยเมื่อได้มาแล้วเราก็ได้ฟังธรรมด้วยอันนี้ก็เป็นฝ่ายดีการที่จะได้ฟังธรรมะเนี่ย มันไม่ใช่ของง่ายๆนะเราอยู่บ้านอยู่เรือนเราก็ไม่มีโอกาสได้ฟังมาวันนี้มาวัดก็ได้มาฟังธรรมแล้วธรรมะจริงๆก็คือเรื่องของเราสะด้วยไม่ใช่เรื่องของคนอื่นนะที่พระพุทธเจ้าสอนธรรมะเนี่ยก็คือเรื่องของทุกคนเลยเรื่องกายเรื่องใจถ้าจะพูดถึงกรรมก็คือ มีพูดถึงเรื่องกรรมใหม่กรรมเก่ามีกรรมใหม่แล้วมีกรรมเก่าด้วยแล้วทํายังไงถึงจะเป็นอิสระจากกรรมด้วยไม่ต้องมีกรรมอีกต่อไปกรรมไม่ต้องมามีผลต่อเราไม่ต้องมาบังคับข่มเหงเราเราไม่ต้องไปกลัวกรรมแล้วบอกทางที่จะให้มันเป็นอิสระจากกรรมด้วยหมดกรรมไปเลยหมดกรรมไปแล้วก็บอกทางด้วยว่าถ้าทําอย่างนี้อย่างนี้แล้วหมดกรรมเนี่ย หมดกรรมแล้วก็คือหมดทุกข์นี่แหละคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนอะไรก็ตามจะต้องเป็นไปเพื่อความไม่มีทุกข์ทีนี้เราก็มาสำรวจดูใจเราวัาใจของเราตอนนี้มันอยู่ยังไงเนี่ยการที่จะเข้าใจเรื่องกรรมเนี่ยก็ต้องมาเข้าใจเรื่องจิตของเราด้วยแต่วันนี้ฟังให้เข้าใจสักก่อนก็ได้หมายว่ากรรมเก่า กรรมเก่าเนี่ยมันมาจะได้ยังไงนะไอ้กรรมเก่าเนี่ยมันติดตัวเรามาได้ยังไงมันถ่ายทอดมาทางพันธุกรรมได้ไหมกรรมของพ่อของแม่เนี่ยมันตกมาถึงลูกได้ไหมจะได้หายสงสัยกันไอ้กรรมที่เราเรียนมาเนี่ยบางทีเราไปเรียนย่อยๆ ย, ย, ย่อยออกไปเราไม่เข้าใจกรรมอย่างแท้จริงเนี่ย มันไม่ค่อยเกิดประโยชน์นะบางทีทาให้กลัวกรรมบางทีก็ทำให้ติดข้องติดกรรมดีก็มีติดกรรมชั่วก็มีเนี่ยเพราะมันไม่เข้าใจเรื่องกรรมพอฉะนั้นฟังเรื่องกรรมวันนี้ให้เข้าใจกรรมเนี่ยมันก็คือตัวเจตนาของเราเจตนาภายในจิตของเรานี่ละ่ะในเจตนาตัวเนี้ยเวลา เวลามันจะทำอะไรก็ตามมันจะมีเจตนาขึ้นมาก่อนทีนี้ถ้าหากว่าเรามีสติสัมปชัญญะเรามีตัวสติตัวนี้มันจะละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปจนไปเห็นเจตนาของเราเจตนาของเราก็คือว่ามันเป็นความคิดขึ้นมานั่นแหละคำพูดขึ้นมาในจิตของเรานี่นแหละมันอยากแต่ทาอันนั้นอันนั้นอันนั้นนีฮยบางทีมันก็อยากอยากใช้ร่างกายทา สั่งให้ร่างกายทําบางทีมันก็ออกมาเป็นคําพูดแต่มันต้องออกมาเป็นความคิดซะก่อนท่านเรียกว่าสันเจตนาสันเจตนานี่หมายความว่าเจตนาจะทําเพื่อตัวเรามันต้องมีตัวเราด้วยแล้วก็มีความอยากจะทําเพื่อตัวเราด้วยเคยเป็นไหมอยากทําเพื่อตัวเราอยากให้เรามีความสุขเคยไหม ไม่อยากให้เราเป็นทุกข์เคยไหมอยากได้เงินมากๆเคยไหมอยากได้ของใช้อยากได้เครื่องใช้ไม้สอยอยากได้บ้านดีๆมาจากเจตนาทั้งหมดแล้วเป็นเจตนาที่จะทำเพื่อตัวเองทำเพื่อตัวเรานี่เราะมันมีเราอยู่ในนั้นด้วยถ้าหาว่าเรามีเจตนาจะทำเพื่อตัวเรา ตัวนี้แหละคือตัวกรรมจริงๆเราเคยเห็นมันไหมถ้ามีสติมีสัมปชัญญะคือความรู้ตัวทั่วพร้อมขึ้นมาเนี่ยมันไปเห็นจิตของเราแล้วอาการของจิตเนี่ยมันจะปรากฏขึ้นแล้วมันจะเข้าไปเห็นไอตัวเจตนาที่อยากทำเพื่อตัวเหล่านี้แหละมันเป็นตัวกรรม มันมีเราก็เพราะว่าเราเนี่ยมันยังไม่รู้ความจริงมันไม่รู้ความจริงมันก็หลงว่าเป็นเราแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านรู้ความจริงเรียบร้อยเลยจริงๆมันไม่ใช่เรานะที่เรานั่งอยู่เนี่ยสมมุติว่าเป็นเราเฉยเฉยมันรอเวลาที่จะแตกดับสลายไปรอเวลาจะตายผู้นี้ง่ายอ่ะร่างกายนะพูดถึงร่างกายก่อนนะรอเวลาที่จะตายไป ตอนนี้มันยังไม่ตายแต่ว่ามันกำลังจะแก่ลงไปแก่ลงไปความเจ็บไข้ได้ป่วยก็เกิดขึ้นส่วนต่างๆของร่างกายมันก็สุดโทมลงไปชลาภาพลงไปสุดโทมลงไปสึกก่อนลงไปสึกหลอลงไปแต่ก่อนแข็งแรงเป็นหนุ่มเป็นสาวแข็งแรงเหมือนกับ จะไม่แก่เลยละ่ะแต่ก่อนนี่อาตมาก็เหมือนกันนะได้ยินครูบาอาจารย์บอกโอ้โหเวลามันแก่ตัวมานี่แม่เจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยมากทรมานมากจะหาทุกอันไหนที่มันทุกเท่ากับความแก่เป็นไม่มีเนี่ยเรางงๆนะว่ามันเป็นยังไงนะมันไม่เคยเห็นเพราะเรายังไม่แก่ตอนนั้นอนะไปเยี่ยมหลวงปู่เทศ หลวงปู่เทสท่านก็พูดเหมือนกันท่านแก่มากแล้วตอนนั้นน่ะท่านอยู่วัดหินหมักเป้นไปกับท่านอาจา ร, รย์แบรนนี่ละท่านบอกโอ้ oh, ทุกมากเลยนะคําว่าไม่ทุกนี้ไม่มีเลยท่านวะแต่ก่อนนี้อีดิยาบทนอนเนี่ยยังพอสบายอยู่ท่านว่าเดี๋ยวนี้ น, นอนก็ไม่สบายอ่ะยืนเดินนั่งไม่ต้องพูดถึง นอนนี่ก็ไม่สบายแล้วท่านวะคือไม่มีอีริยาบทไหนเลยอ่ะที่มันสบายคือตอนนั้นท่านอายุท่านก็เกือบเก้าสิบแล้วมั้งแล้วเวลาฉันอาหารเนี่ยคําว่าอร่อยไม่มีเลยท่านวะฝืนฉันไปเฉยๆเพื่อให้มีชีวิตอยู่ได้ได้ฝืนนะฝืนที่จฉันอาหารเอาอาหารป้อนเข้าไปเพื่อเยียวยามันเอาไว้ นี่จริงว่ามันไม่ทุกข์มันไม่มีนะเนี่ยขนาดหลวงปู่เทศเนี่ยก็ยอมรับกันว่าท่านเป็นพ่ออหรหันนะท่านก็พูดอย่างนี้อิเรยาบทไหนที่ว่าสบายไม่มีเลยท่านบาแต่ก่อนเนี่ยอิเรยาบถนอนเนี่ยยังพอสบายยังเป็นที่สบายเดี๋ยวนี้คําว่าสบายไม่มีแล้วฉันอาหารเนี่ยคําว่าอร่อยไม่มีเลย ฉันเพื่อให้มีชีวิตอยู่รอดไปวันวันหนึ่งเท่านั้นนะเรานี่ก็เหมือนกันนะแต่ละคนเนี่ยสุดท้ายมันก็ต้องไปหาความตายเหมือนกันร่างกายมันตายแต่จิตใจเนี่ยมันไม่ตายนะเวลาคนตายจิตไปเกิดเออจิตมันไม่ตายด้วยนี่ เวลาเราศึกษาเรื่องชีวิตของเรานะศึกษาธรรมะเนี่ยมันต้องเป็นเรื่องของตัวเราเลยนะต้องเข้าใจให้มันชัดแจ้งนะเข้าใจให้มันลึกซึ้งเข้าไปให้มันถึงใจเลยนะไม่งั้นเราจะไม่รู้จักตัวเรานะพอไม่รู้จักตัวเราเนี่ยมันก็เลยหลงตัวเรายึดตัวเราเวลาเราเป็นอะไรขึ้นมาเปลี่ยนแปลงขึ้นมาเป็นอะไรขึ้นมามันจะเป็นทุกข์เพราะเราไม่เข้าใจเกี่ยวกับชีวิตของเรา ไปเข้าใจเรื่องอื่นไปฉลาดเรื่องอื่นแต่มาโง่เรื่องตัวเองพระพุทธเจ้าสอนให้ฉลาดเรื่องตัวเองนะแม้แต่เรื่องกรรมพระพุทธเจ้าก็สอนให้เข้าใจจริงๆให้ลึกซึ้งเลยวันนี้จะลองสอนกรรมตามแนวของพระพุทธเจ้าเลยตัวกรรมที่แท้จริงคือตัวเจตนา เจตนาจะทำเพื่อตัวเองทำเพื่อตัวเราเขาเรียกว่าสันเจตนาสันเจตนามีเจตนาจะทำเพื่อตัวเราทำดีก็เพื่อตัวเราทำชั่วก็เป็นเราทำชั่วทำเพื่อตัวเราเหมือนกันนี่แหละคนเราเนี่ยมันมีตัวตนมีตัวเรามันก็เลยมีความคับแคบมีความเห็นแก่ตัวเพราะมันไม่รู้ความจริงว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่ตัวเรา มันเป็นตัวเราชั่วคราวเท่านั้นไม่ได้เป็นตัวเราตลอดไปถ้าหากว่าเรารู้ว่าเป็นเราชั่วคราวเนี่ยเราก็ต้องไม่มายึดตัวเรารู้ว่าเออสุดท้ายมันต้องตายเราไม่ต้องไปยึดมันมากไม่ต้องไปหลงมันมากไม่ต้องเอาใจมันมากไม่ต้องไปบำรุงบำเลอปนเปื่มมันมากไม่ต้องไปห่วงใยอลัยอววรมันมากจิตเราจะได้คลายออกไป แต่ถ้าหาว่าเราไม่รู้ความจริงตรงนี้ความหลงนี่มันท่วมหัวใจเลยนะพอมันหลงแล้วมันก็จะทําเพื่อตัวเราเอาอะไรก็จะเอามาเพื่อตัวเราทําดีก็เพื่อตัวเราเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่รู้นะว่าร่างกายอ่ะมันเปลี่ยนแปลงมันเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของมันแต่เราหลงว่าเราเจ็บป่วยเป็นเรา พเราหลงเป็นเราเราก็เป็นทุกข์นี่ความทุกข์นี่มันมาจากความหลงผิดของเราเองเลยนะถ้าเรารู้ความจริงเสี้เนี่ยมันไม่หลงเอาร่างกายก็ไม่ใช่ของเราจิตใจก็ไม่ใช่เราด้วยเนี่ยแล้วจะเข้าใจด้วยว่าจิตใจก็ไม่ใช่เรานี่มันต้องมารู้เรื่องของตัวเองให้เข้าใจให้ชัดเจนให้แจ่มแจ้งชนิดที่ความหลงตั้งอยู่กับเราไม่ได้ หรือตั้งอยู่ก็ต้องลดลงไปเรื่อยๆความทุกข์ก็น้อยลงไปด้วยถ้าความหลงเนี่ยมันน้อยลงไปคือมันไม่ยึดมากมันไม่ทําเพื่อตัวเรามากมันทําเพื่อความถูกต้องทําให้ถูกตามธรรมชาติที่แท้จริงเนี่ยความถูกต้องก็คือทําถูกต้องตามธรรมชาติกฎของธรรมชาติต้องมาเรียนรู้เข้าใจเรื่องชีวิตเรา ก็คือเข้าใจกฎของธรรมชาติไปด้วยมันเกี่ยวข้องกันมันคือธรรมชาติไอ้ร่างกายเราเนี่ยจิตใจเราเนี่ยมีกําลังพูดให้เข้าใจนะพูดซ้ําๆอยู่อย่างนี้ก็เพื่อที่จะให้รู้ว่าที่มันเป็นเราอยู่นี้ขณะ น, นี้ก็คือกรรมเก่าให้มากรรมเก่ามาจากไหนมาจากเจตนาที่เราทํากรรมเอาไว้ทั้งดีและไม่ดีแล้วก็มีความหลงผิดทําเพื่อตัวเรา เมื่อทำเพื่อตัวเราแล้วก็กลายมาเป็นคุณภาพภายในจิตของเราก ร, รมที่เราทำไว้มันมาปรุงแต่งจิตเราอีกทีนึงเพราะมันมีเจตนาที่จะทำเพื่อตัวเราเรียกว่าสันเจตนาสันเจตนาเจตนาที่จะทำเพื่อตัวเรามันทำได้กี่ทางอ่ะทำเพื่อตัวเราเนี่ยทำได้สามทางทำทางกายเขาเรียกกาย กายสัญเจตนาเป็นเจตนาทําเพื่อตัวเราแต่ใช้ร่างกายทําใช้ร่างกายทําบางทีมันก็ใช้คำพูดทําใช้คำพูดทาคือทํากรรมเจตนาที่จะทํากรรมโดยอาศัยคำพูดเขาเรียกวจีสัญเจตนา เจตนาทําเพื่อตัวเราโดยอาศัยคําพูดทางใจมันต้องมาทางใจก่อนเขาเรียกมโนสันเจตนาเจตนาธรรมเพื่อตัวเราทางความคิดใช้ความคิดออกมาทางความคิดไอความคิดนี่สาคัญที่สุดเพราะมันคิดซะก่อนเป็นมโนสันเจตนา คิดจะทำเพื่อตัวเราดยทางใจใช้จิตใจแล้วมันก็ออกมาเป็นคำพูดเป็นวจีสันเจตนากายสันเจตนาเป็นเจตนาที่จะทำเพื่อเราเพื่อตัวเราอาศัย กายวาจาจิตนี่มีสามทางนี้เวลามันจะทำกรรมทำได้สามทางทำดีก็มีเราทำไม่ดีก็เป็นเราใจสงบก็เราสงบมีเราอยู่ตลอดมันก็เลยมาปรุงแต่งจิตเราที่นี่เก็บไว้ในจิตนี่แหละ ถ้าจะพูดให้ละเอียดลงไปก็เก็บไว้ในพวังขจิตเก็บสะสมเอาไว้เป็นเราถ้าพ่อหรหันจะไม่มีกรรมแบบนี้ท่านทำแล้วก็แล้วไปทำแล้วเฉยเลยดับไปเลยกรรมต่างๆรู้ชัดเจนก่อนจะพูดท่านก็รู้ว่าทำไมจริงพูดพูดเพื่ออะไรพูดจบแล้วแล้วไปเลยเจตนาคืออะไรทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างดีขึ้นบางทีก็สอนคนอื่น บอกคนอื่นให้เข้าใจแล้วไปคาดหวังก็คือคนนั้นได้ประโยชน์คนนั้นดีขึ้นมาท่านไม่เก็บออกมาเป็นตัวเราว่าเราทำดีแล้วเราช่วยคนอื่นเราสอนคนอื่นแนะนำคนอื่นนู้เขาไปทำได้ประโยชน์ดีใจภูมิใจไม่มีเป็นปกติเลยถ้าาว่าคนนั้นฟังทำแล้ว เอาไปทาแล้วตัวเองดีขึ้นมาออคนนั้นดีขึ้นมาเป็นกรรมดีของเขาแล้วนั่เขาเป็นคนมีบุญนะโชคดีนะฟังทมแล้วเอาไปประพฤติปฏิบัติขัดเกลาตัวเองดีขึ้นมาเป็นคนดีเป็นคนมีคุณภาพเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนี่อันนี้ท่านก็พอใจแบบนี้แต่ไม่มีตัวตน มันเป็นประโยชน์สำหรับคนอื่นน้นตัวท่านไม่ได้อะไรทำเพราะมันเป็นสิ่งที่ควรทำทำเพราะมันเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์แต่ว่าถ้าหากว่าคนที่ยังไม่ใช่พ่อหลานต้องมีการทำเพื่อตัวเราเพื่อตัวเองอยู่ในนั้นทุกชั้นทุกภูมินอกจากพ่อหลานถือพระประเจ ก, กพัพระเทเจ้าก็ถือว่าเป็นพ่อหลาน พระพุทธเจ้าก็คือเป็นพ่อหลานผู้ห่างไกลจากยยกิเลสปูตุชนพระโสดาบันพระเสกิธาคามีพระนาคามีล้วนแล้วแต่มีตัวตนทั้งนั้นทำเพื่อตัว ต, วตนอยู่ทำเพราะมีตัวเราอยู่นี่แหละตัวเจตนาตัวนี้ล่ละมันเข้ามาทำให้ทำกรรมแล้วก็มาเป็นคุณภาพของจิตเวลาจะมาเกิด จิตเนี่ยมันก็ต้องมาอาศัยร่างใม่ท่านพ่อท่านแม่เจอกันพนับมีความเหมาะสมจิตวิญญาณคือเราเนี่ยที่จิตเราเนี่ยมันก็มาอาศัยร่างนั้นเข้าไปอยู่ในนั้นถ้าท่านพ่อท่านแม่เจอกันแต่ไม่มีจิตวิญญาณเข้าไปอาศัยเจ็ดวันมันจะฝ่อไปท่านพ่อท่านแม่แล้วก็แม่ ก็มีฤดูเรียกว่าไขายมันสุกถาดพ่อก็เข้าไปฝังตัวอยู่ในนั้นแต่ถ้าไม่มีจิตวิญญาณเข้าไปอาศัยมันก็ละลายไปมีแต่รูปไม่มีนามมีแต่รูปไม่มีวิญญาณเข้าไปแต่ไอ้ไอ้พอวิญญาณมันได้โอกาสพับมันพอดีเลยถ่าดพอ่อท่านแม่ปับ๊บวิญญาณเข้าไปปั๊บ มัน จ, จะเริ่มเจริญเติบโตขึ้นตามอำนาจของกรรมด้วยคุณภาพของจิตเนี่ยมันก็ไปปรุงแต่งรูปด้วยอย่างคนเคยฆ่าสัตว์เคยบียดเบียนสัตว์อื่นออกมาก็ บ, บางทีก็พิกนพิการมีโครคภัยไข้เจ็บ ม, มีนู่นมีนี่นี่แหละจริงว่าอำนาจของกรรมเก่ามันให้ผลแล้ว แล้วพอร่างกายเนี่ยวิญญาณเข้าอาศัยอาศัยกรรมที่ติดตัวมาจิตติดกับจิตมาสร้างกายขึ้นมาถ้าหาว่าใครเคยทำกรรมดีมากๆเคยฟังธรรมเคยทําบุญทํากุศลก็อยากทําบุญทํากุศลทําคุณงามความดีฟังเทศฟังธรรมก็เข้าใจเคยประพฤติปฏิบัติทำมาก็ปฏิบัติก็ง่ายเนี่ยถ้าเคยเจริญสมถะ ม, มาเนี่ยมีฌาน ก็ทําสมาธิได้ไง่ายใจสงบนิ่งเนี่ยถ้าไม่เคยทําวิปัสสนาก็ต้องมาฝึกมาให้เห็นความจริงให้แจงให้ชัดว่าไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเราเกิดปัญญายาณขึ้นมาแต่ถ้าเคยเคยทํามาพอจิตสงบลงไปแล้วก็มาเห็นกายใจไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราก็ง่ายขึ้นเนี่ยแต่ถ้าใครไม่เคยทํามาทั้งสมถาวิปัสสนาก็ต้องมาฝึกเคย่าทามาน้อยก็ต้องฝึกมากหน่อย ความเพียนมากน้อยคนที่เคยฝึกมาก็ต้องเพียนเหมือนกันเพราะว่าต้องการที่จะพ้นทุกข์นี่มันมีเหตุเหมือนกันที่มาเป็นเรานี่มีเหตุมีเหตุก็คือตั้งแต่ทีแรกโน้นมันมีตัวเรามีเจตนาทย่จะทำอะไรเพื่อตัวเราเมื่อทำแล้วมันก็มากลายเป็นสิ่งที่มาปรุงแต่งจิตเรา เป็นคุณภาพของจิตเราเก็บไว้ในพวังขจิตพวังขวิญญาณแล้วก็ไปหารูปนามใหม่พอมันจากรูปนามเก่าไอ้ร่างกายเก่ารูปเก่ามันแตกสลายไปแล้วมันก็ไปหารูปใหม่มันก็เลยมาหารูปใหม่ร่างใหม่ที่จริงรูปใหม่เนี่ยเขาเรียกกันนามมาลูกหมายว่ามันมี ในรูปนั้นมันจะมีพวกนามอยู่ด้วยเขาเรียกว่านามมลูกก็คืออย่างพวกเวทนาต่างๆมันมีความเจ็บความปวดอยู่ในนั้นเนี่ยเขาก็เลยเรียกว่านามมลูกส่วนในตัวที่ไปอาศัยเนี่ยเขาเรียกว่าตัววิญญาณหรือตัวจิตเนี่ยปับเข้าไวล้ละพอร่างกายจเจริญเติบโตขึ้นมาก็มีกำกับเก่าให้ผลก็ออกมาเป็นร่างกายที่มันสวยงาม หรือว่าพิ่กลพีการอาการครบสามสิบสองหรือว่าไม่ครบโรคภายไข้เจ็บมากหรือน้อยนี่แหละมันมาจากผลกรรมด้วยเนี่ยแล้วก็มีเหตุอย่างอื่นด้วยนะไม่ใช่กรรมอย่างเดียวนะอากาศด้วยสิ่งแวดล้อมในนั้นด้วยนะไม่ใช่กรรมอย่างเดียวนะมันมีปัจจัยอื่นด้วยเกี่ยวข้องอยู่ด้วย ทีนี้พอจเจริญเติบโตขึ้นมาหน่อยมันก็จะมีตาหูจมูกลิ้นกายใจเพรอะนั้นตาหูจมูกลิ้นกายใจมันเป็นสิ่งที่จะรับรู้โลกข้างนอกอย่างอื่นเนี่ยมันรับรู้ไม่ได้นอกจากตาหูจมูกลิ้นกายใจตาก็ต้องไปเห็นหูก็ต้องได้ยินเสียงจมูกก็ต้องได้กลิ่นลิ้นก็ต้องได้รสกายก็ถูกต้องสัมผัส ก็ต้องนึกคิดอารมณ์ได้แล้วมันก็จะมาสัมผัสจิตเข้าสู่จิตแล้วมันจะมีสุขมีทุกข์เกิดขึ้นน่ะเอาแล้วนะนี่เนี่ยเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วเพราะนั้นกรรมเก่าคือตัวเจตนาที่ทำกรรมต่างๆแล้วมาเก็บไว้ในจิตเป็นคุณภาพจิตของเราแล้วก็มาปรุงแต่ง นำมาลูปด้วยมีตัววิญญาณอาศัยแล้วก็ค่อยๆเจริญเติบโตขึ้นมาด้วยอาหารที่เข้าไปทางสายลกสายสะดือเหล่านี้เลือดมันเป็นเลือดของแม่แล้วก็เข้าไปเลี้ยงจนเราเจริญเติบโตขึ้น เพราะนั้นคุณของแม่นี่ยจึงประมาณไม่ได้เลยไข่ตอบแทนคุณพ่อแม่หรือว่ากตัญญูตอบพ่อแม่ผู้ให้กําเนิดเนี่ยจึงเท่ากับว่าทําบุญกับพ่อหลานเพราะว่าอย่างเนี้ยพ่อก็ให้กําเนิดเรามาแม่ก็ให้กําเนิดเรามาเพราะนั้นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยตรงเนี้ยมันจึงประมาณไม่ได้ ใครทำกรรมไม่ดีกับพ่อแม่ก็เท่ากับทำกรรมไม่ดีกับพ่อหลานกับลูกกับพ่อกับแม่นะไม่เกี่ยวกับหลานไม่เกี่ยวกับเลนไม่เกี่ยวกับลุงป้านนะาเกี่ยวพ่อแม่ลูกเท่านั้นที่พระเียาตัดไว้มีพ่อแม่ลูกที่เปรียบเหมือนพ่อหลานถ้าว่าลูกทำดีกับพ่อแม่ก็เหมือนพ่อหลานเนี่ยพ่อแม่จริงต้องเลี้ยงดูลูกแล้วก็ต้องสอนเขา ให้รู้บุญรู้คุณของพ่อของแม่ด้วยเพราะไม่งนั้นเขาจะมีบาปกรรมมากทีนี้พอตาหูจมูกลิ้นกายใจมาแล้วทีนี้มีอะไรมากระทบที่นี่กระทบปับ๊บนี่แหละที่มาของกรรมใหม่กระทบอารมกระทบทางกายก็ดีอย่างส่วนเด็กๆ เ, เล็กๆอยู่เนี่ย มันจะร่างกายเนี่ยมันก็จะมีเวทนาหิวหิวมันหิวขึ้นมาโซมันคลอดออกมาแล้วเป็นทาโลกแล้วเวลาหิวเนี่ยมันก็จะร้องนะเป็นสัญชาตญาณพอมันได้ดื่มนมดื่มน้ํานมของแม่เนี่ยความหิวเนี่ยก็เป็นเวทนาชนิดหนึ่งมันเป็นทุกขเวทนาด้วยร้องไห้จ้าเลย นี่ก็เป็นผลของกรรมเลยเนี่ยผลของกรรมนะเนี่ยเกิดเป็นทุกขเวทนาพอดูดนมเข้าไปสบายขึ้นมาเป็นสุ ข, ขเวทนานเวทนาเข้ามาแล้วเกิดแล้วสุขบ้างทุกบ้างนอันนี้เป็นผลของกรรมเก่าเป็นเรื่องของกรรมเก่าสุขบ้างทุกบ้างยังไม่คิดอะไรยังไม่ยังยังไม่มีเรื่องราวอะไรมากมาย แค่สเสวยผลของกรรมเก่าเฉยๆทีนี้ถ้าหากว่าโตขึ้นมาเอาตอนโตเลยมันง่ายดีเป็นหนุ่มเป็นสาวละทีนี้เห็นเพศตรงข้ามพับเกิดเป็นตันหาขึ้นมาทีนี้ ว, วูบวาบเข้ามาหาจิตเข้ามาหาร่างกายแล้ว ว, วูบวาบวูบวบขึ้นในจิตใจนี่เรียว่าตันหามันเกิดแล้ว อยากใกล้คิดอยากสนิสนมอยากเขาเคลียะเนี่ยมีความอยากเป็นตัณหาแล้วตอนนี้ก็ยังเป็นผลของกรรมอยู่เพราะยังไม่ปรุงแต่งอะไรขึ้นมาถ้ามันรู้ทันตรงนี้นะถ้ามันรู้ว่าล้วรู้ทันอย่างเงี้ยรู้ทันเฉยๆอย่างเงี้ยไม่ได้ไปคิดปรุงแต่งจะเอาเข้ามาจะไปโน่นนี่เข้ามารู้ทันรู้ทันพวกนี้ มันก็จะดับไปแค่นี้เนี่ยหรือเห็นคนน่ากลัวโอ้โหกลัวอาตมาเคยกลัวคนหนึ่งนะตอนเป็นเด็กอะ่ะเออมีคนหนึ่งเขาขาพิการก็มีคนหลอกบอกว่าไอาระวังไอคนนั้นอนะ่ะเออมันจะมาเอาไปโอโ้กลัวมากเลยนะนี่ถูกหลอกถ้าเห็นคนนี้ขากระเพกกระเพกเดินมาร้องไห้เลยตอนยังเด็กะ่ะจําได้เลย ไม่ได้กลัวอย่างอื่นเพราะถูกหลอกนี่เพราะนั้นผู้ใหญ่ต้องไม่หลอกเด็กแบบนี้หลอกแล้วทำให้เป็นทุกข์ภายในใจิตใจหลอกให้กลัวผีอย่าลองให้นะเดี๋ยวผีมันมาหลอกนะเดี๋ยวผีมาเอาไปนะนี่ก็ไม่ให้หลอกหลอกเด็กอย่างนี้ไม่ถูกทำให้เด็กเกิดความกลัวเกิดไม่สบายใจขึ้นมาเป็นฝ่ายโทสะความกลัวนี่เป็นฝ่ายโทสะเขาเรียกว่า โทสะมูลจิตเป็นฝ่ายโทสะเพราะนั้นถ้าผู้ใหญ่ฉลาดเนี่ยเขาจะเรื่องจิตใจจะไม่หลอกสอนให้เขารู้ความจริงดีกว่าพูดความจริงไปเรื่อยๆเขาจะค่อยๆรู้ขึ้นรู้ขึ้นเนี่ยกรรมพวกนี้มันมีผลต่อจิตใจเด็กทั้งนั้นเลยอันนี้ผู้ใหญ่ไม่เข้าใจโกหกเด็กหลอกเด็ก ทำให้เด็กเข้าใจผิดฝังอยู่ในใจิตใจเด็กตั้งแต่เล็กๆดูสิธรรมะของพระพุทธเจ้าถ้าศึกษาเข้าไปมันจะเรียดเข้าไปเรื่อยแล้วก็เรื่องจิตของแต่ละคนด้วยเรื่องตัวเองด้วยแล้วถ้าจะเกี่ยวข้องเกี่ยวข้องเรื่องคนอื่นเรื่องจิตของคนอื่นด้วยทำให้คนอื่นเนี่ยทุกน้อยลงไปไม่มีทุกทั้งนั้นเลยนะเนี่ยถ้าหาวาศึกษาให้ดี มันไม่ใช่เรื่องว่าเออในพระไตรปิฎกอยากจะเถียงกันเรื่องนิพพานโน้นเรื่องมรรคเรื่องผลนุ่นแต่ไม่มาทําความเข้าใจเรื่องชีวิตของตัวเองเรื่องจิตใจของตัวเองเนี่ยนี่มันเข้ามาทางตามันก็วูบเข้าไปหาจิตเกิดเวทนาขึ้นมาสบายไม่สบายสุขทุกข์สบายไม่สบายหรือเฉ ย, เฉย เกิดขึ้นกับใจอันนี้เป็นผลของกรรมเก่าผล เ, เราเห็นอะไรที่ไม่ดีนั่นแหละคุณภาพจิตของเรามันให้ผลแล้วที่เราทํามาแล้วมันให้ผลแล้วแต่ถ้ารู้ทันกรรมเก่าดับไปเฉยๆใช้กรรมไปเลยไม่สบายก็ไม่สบายเกิดความอยากขึ้นมาหรือไม่อยากขึ้นมาไม่อยากเกี่ยวข้องไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นเกิดความกลัวขึ้นมา ไม่อยากเอาไม่อยากเกี่ยวข้องถ้ารู้ทันพวกนี้มันก็จะดับไปแต่ทีนี้ถ้าหาว่าไม่ทันกลายเป็นอุปทานขึ้นมาแล้วทีนี้เป็นอุปทานแล้วอุปทานแล้วก็คิดอยากจะทำอย่างนั้นทำอย่างนี้อยากจะอย่างนั้นอย่างนี้มีปุงแต่งแล้วเนี่ย อันนี้เป็นกรรมใหม่ทั้งหมดเลยกระทบอารมณ์ผัสสะนี่หมายว่ามันกระทบอารมณ์ตาก็กระทบลูกเรามีตามันต้องเห็นเห็นแล้วมันก็ว่ากาไปหาใจสุขบ้างทุกบ้างเฉยเฉยก็มีอันนี้เป็นผลของกรรมหูได้ยินเสียงบางทีเขาด่าโอ้โหเจ็บปวด ทุกทรมานในจิตใจนี่กรรมเก่ามันให้ผลแล้วบางทีเขาชมดีใจพอใจนี่ก็กรรมเก่ามันมันรู้สึกสบายขึ้นมามันสบายไม่สบายนี่เป็นกรรมเก่าเฉยๆก็กรรมเก่าแต่ถ้าหากว่าสติเราไม่มีสัมปชัญญะไม่มี ไม่ทันอารมณ์พวกนี้แต่มันเร็วมากเลยนะอันนี้พูดนี่คือพูดให้มันช้าให้มันสโลโมชันพูดง่ายๆที่จริงจิตละมันเร็วกว่านี้ปั๊บเดียวเนี่ยโอ้โหมันปรุงแต่งยืดยาวเลยนะอย่างผู้หญิงเห็นผู้ชายเนี่ยแทนที่มันจะมาเห็นมาโอ้สบายถูกใจเนี่ยมันไม่ใช่นะมันนุ่นไปนอนด้วยกันแล้วนะ นอนด้วยกันแล้วผู้ชายเห็นผู้หญิงไปนอนด้วยกันแล้วโอ้โหมันเร็วขนาดนั้นเลยนะบางทีสร้างบ้านสร้างเรือนมีลูกแล้วก็มีทั้งนี้ยังไม่ได้คุยกันเนอจิตมันเร็วอย่างนี้นะที่เราพูดนี่หมายว่าเออเอามันมาพูดค่อยๆเออว่ามันมันถ้าทันจริงๆละมันจะเป็นอย่างนี้ถ้าไม่ทันแล้วก็น่นอย่างว่านั้นแหละ แค่เห็นกันก็มีลูกแล้วน่ะหมายความมันมีลูกในจิตปรุงแต่งตปสร้างบ้านสร้างเดือนมีลูกมีพูดถึงกรรมเก่าแล้วก็กรรมใหม่ถ้าพูดย่อลงมากรรมเก่าก็คือตัวเราที่นั่งอยู่นี้ตาหูจมูกลิ้นกายใจก็คือกรรมเก่าเวลากระทบอารมณ์ มันมีความรู้สึกสบายไม่สบายอันนี้เป็นผลของกรรมเก่าเขาเรียกวิบากวิบากคือกรรมเก่ามันให้ผลสบายไม่สบายเฉยๆเกิดขึ้นถ้ามันคิดนึกปรุงแต่งจะเอานู่นเอานี่ไม่อยากเป็นนั่นไม่อยากเป็นนี่วนเวียนอยู่ในจิตอันนี้กรรมใหม่ ถ้าหาว่าเราทันตรงนี้ถ้าเรารู้ทันเนี่ยมันจะเกิดแล้วก็ดับพวกความคิดเนี่ยเกิดดับความรู้สึกนึกคิดให้ปรุงแต่งขึ้นมาเนี่ยเกิดแล้วก็ดับหมดหรือถ้ามันยังไม่ดับเราเห็นมันเราเห็นมันมันจะค่อยๆเบาลงเบาลงเบาลงน้อยลงน้อยล ง, ย ล, งลดลงแล้วก็ดับไป เวลาเรามีทุกข์มากๆนั่นคือเราไม่รู้เท่าทันจิตของเราที่มันปรุงแต่งขึ้นมามันเสวยเวทนาทุกขเวทนาหรือความไม่สบายขึ้นในจิตแล้วมันก็เลยปรุงแต่งเป็นเรื่องเป็นรล่ามากมายกายกองยืดยาวเป็นวันเป็นคืนนี่คือขาดสติขาดการปฏิบัติคือไม่รู้เรื่อง ที่จะแก้ไขจิตของตัวเองไม่รู้เรื่องวิธีที่จะแก้กรรมให้มันหมดกรรมมาให้กรรมเก่ามันมามีอิทธิพลต่อใจตัวเองกรรมเก่าก็เลยให้ผลเป็นกรรมใหม่กรรมใหม่ก็เลยเล่นงานตัวเองที่นี่ลุงรังอยู่ในจิตแต่ทีนี้ถ้าหาว่าเราพยายามมีสติที่นี่พยายามรู้ตัวรู้ตัว อย่างเราฟังวันนี้มีสติในการฟังอย่างเนี้อันนี้ก็ทำให้เราได้พัฒนาสติขึ้นมาถ้าสติมีกำลังมันจะไปรู้ฐานจิตของเราเองเนี่ยเหตุมันอยู่ตรงที่ตัวสตินี่นะเพราะนั้นจึงต้องมีสติทำอะไรก็ต้องมีสตินั่นเพราะนั้นถ้าหาว่ามีสติแล้วไปรู้เท่าทานัน ความคิดนึกปรุงแต่งของเราเนี่ยที่มันเป็นกำใหม่เนี้ยกำใหม่จะค่อยลดลงลดลงลดลงแล้วเห็นมันดับไปมันคิดมาเท่าไหร่ก็ช่างเห็นมันดับเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับมันก็ปรุงแต่งจิตเราไม่ได้ห้ามมันไม่ให้คิดไม่ได้มันต้องคิดแต่เรารู้ทันมันแล้วมันจะดับของมันกำใหม่ก็เลยหมดเนี่ย สุดท้ายไม่มีกรรมเกิดขึ้นนี่โหมดกรรมได้อย่างนี้นะนี่เขาเรียกว่ากรร ม, มะนิโรธะเป็นอิสระจากกรรมนี่แปลว่าไม่มีโลธะหมายถึงว่าสิ่งที่ครอบงาจิตกรร ม, มะนิโรธะไม่มีกรรมมาครอบงาจิตเดียวเป็นอิสระจากกรรม ก็คือมีสติสัมปชัญญารู้ทันแล้วก็เห็นมันเกิดดับไปคือตัวปัญญาไม่ยึดมันอีกต่อไปแล้วเพราะนั้นทางที่จะให้หมดกรรมเนี่ยก็คือต้องมาเจริญสติสัมปชัญญะสติตัวนี้จะไปคุ้มครองจิตเรารักษาจิตเราจิตของเราก็เป็นสมาธิขึ้นมามีกำลังมากขึ้นมากขึ้นมันจะตั้งมั่น มันจะรู้หลอบเลยรู้แล้วก็ไม่มีผลต่อจิตด้วยแล้วมันก็จะเห็นสิ่งต่างๆไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราไม่ยึดกรรใหม่ว่าเป็นเราอีกต่อไปกรรเก่าก็ใช้ไปแล้วมันให้ผลแล้วไม่เกิดความไม่สบายเกิดความสบายไม่สบายเกิดอาการเฉยๆขึ้นมาส่วนกรรใหม่นี่มันปรุงแต่ง เ อ, เอานุนเอานี่เป็นนั่นเป็นนี่อย่างนั้นอย่างนี้ส่วนวันก่อนเขาเอาเปรียบเราเนี่ยถ้าหาว่าเรารู้เรื่องกรรมเนี่ยเออเราเคยทำกรรมมารักษาจิตไว้ทนจิตเราเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรมันก็เป็นกลางๆได้มันก็เฉยๆนี่ใช้กรรมหมดเลยแต่ถ้าหาว่าเขาเอาเปรียบเราโอ้โหมันเอาเปรียบกูดูสิ มันเอาไปแล้วโหยมันรวยกว่าเก่าต้องหาทางเอาคืนให้ได้นี่คือกรรมใหม่แล้วก็วนเวียนปรุงแต่งึ้นในจิตแล้วก็ไปทากรรมมากมายแล้วก็เวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะสงสารไม่มีที่สิ้นสุดแต่ถ้าหากว่าเรามีสติรู้ทันเห็นว่ามันเป็นกรรมเก่าให้ผลแล้วแล้วก็ระวังกรรมใหม่ ให้กรรมนี้มันดับไปเสียเป็นอิสระจกกรรมเสียหมดกรรมหมดกรรมคือหมดทุกไม่มีทุกเลยแล้วก็ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดด้วยทางที่จะไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดก็คือต้องมาจเจริญสติสัมปชัญญะจนมีกาลังมากขึ้นเมื่อสติปฐานสี่สมบูรณ์ท่านว่า สติสัมปชัญญาคืออยู่ในให้จิตอยู่ในตัวเราอยู่ในกายเราอยู่ในเวทนาอยู่ในจิตอยู่ในธรรมเนี่ยให้รู้กายเวทนาจิตธรรมมีว่าสติปัฏฐานสี่อย่างเช่นดูกายดูลมลมเข้ารู้ลมออกรู้ลมเข้าพูดลมออกโทรอันนี้ว่าดูกายกายานุปัสสนาสีปัฏฐานมีสติตามดูกาย เกิดเวทนาขึ้นมาอย่างตัว น, นี้มันเจ็บมันปวดมันเป็นเวทนาชนิดหนึ่งเป็นความรู้สึกความรู้สึกนี้มันเกิดเองเกิดทางร่างกายจิตเราจะไปรู้ที่นี่จิตเราเนี่ยมันไปรับรู้ถ้าหาว่าเราหลงว่าเป็นเราก็เราเจ็บเราปวดนี่มีเราแล้วแต่ถ้าเจ็บปวดรู้ว่าโอ้โหนี่มันเป็นเวทนานี่นะมันอยู่ที่ร่างกายเท่านั้นเนี่ย อย่างนี้มันไม่ใช่มันไม่เป็นเรามันเป็นศัก์แต่ว่าเวทนาเฉยๆมันอยู่ที่ร่างกายเจ็บขนาดไหนก็เป็นเรื่องร่างกายไม่เกี่ยวกับจิตจิตเราก็ถอยออกมาได้หรือจิตเราก็ดูเฉยๆได้ดูเฉยๆเพราะว่ามันไม่ใช่จิตจิตเป็นผู้ดูไอเวทนาอยู่ที่ร่างกายเท่านั้นยิ่งเจ็บปวดจิตก็ยิ่งได้มีโอกาสเรียนรู้ศึกษาฝึกจิตเราให้รู้จัก ความจริงมันรู้จากความจริงก็คือรู้ว่าเวทนาเนี่ยมันเกิดเองมันมีเหตุปัจจัยมันก็เกิดขึ้นแล้วมันจะดับเองมันก็เรื่องของมันเรื่องของเวทนาจิตเราก็ไม่ต้องไปทุกข์กับมันนี่ถ้ามันรู้ความจริงนะถ้ามันยังไม่รู้โอ้โหตายแล้วเอ้ยขยับดีหรือไม่ดีวะเนี่ยโอ้นี่มันนานมากแล้วนนัเนี่ยเมื่อไหร่มันจะหายวเนี่ย เออเแล้ ว, ล ว, ล ว, ลวคนอื่นเนี่ยมันปวดอย่างเราหรือเปล่าเนี่ยแม้ทรมานมากเลยลมันจะบ่นอยู่นั่นแหละเราก็ต้องดูจิตไปด้ว ย, ยเนี่ยเรียกว่ากายเวทนาจิตจิตก็มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจฟุง้งซ่านราคะไม่มีราคะโกรธ ไม่โกรธพยาบาทไม่พยาบาทเนี่ยอยู่ในจิตหมดเกลียดค้านหรือว่าไม่เกลียดค้านหดหูหรือไม่หดหูเบื่อหนายหรือไม่เบื่อหนายเศร้ามองหรือไม่เศร้ามองเนี่ยเศร้ามองผ่องสายอยู่ในจิตหมดนี่ก็ตามดูกายเวทนาจิตถ้าเห็นมัน ตังใจเห็นเนี่ยมีสติสัมปชัญญะเข้าไปเห็นเนี่ยมันจะเกิดดับนี่ว่าดูกายดูเวทนาดูจิตเห็นมันดับไปก็ดูธรรมหรือบางอย่างเนี่ยมีเสียงมาเนี่ยมันเกิดขึ้นภายในจิตเราจิตเรารับรู้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกิดมาทางจิตเป็นอารมณ์ที่มากระทบจิตอย่างเป็นพวกความคิดนึกขึ้นมา บางทีมันมันเหมือนกับว่าอยู่ที่การมุมมองภายในจิตของเราอ่ะมันมัน ม, มีสิ่งมากระทบจิตเขาเรียกว่าธรรมลม้มสิ่งที่กระทบจิตเราเรียกว่าธรรมลม้มเรียกว่าธรรมก็ได้เกิดแล้วกระดับพวกเนี้ยคือแทนที่เราจะมองว่ากายเวทนาจิตแต่มองมองเป็นว่าเป็นสิ่งที่กระทบใจเราใจเราไปเห็น ใจเราไปกระทบมันแล้วมันมันก็เกิดดับไปมันก็เลยกลายเป็นธรรมไปกายเวทนาจิตธรรมสติปัฏฐานสี่นี่แหละที่เราปฏิบัติเนี่ยเรียกสติปัฏฐานสี่แต่อยู่ในกายเราเวทนาละจิตธรรมหรือกายกับจิตเนี่ยเวทนาทางกายก็อยู่ที่กายพูดย่อๆกายกับจิตขยายไว้ก็กายเวทนาจิตธรมรมคือพูดให้กว้างออกไปอีก ลูกประคันเวทนาขันสัญญาขันสังการะขันวิญญาณขันมองในแง่ของขันห้ารูปประคันก็ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟหรือม อ, มองในแง่กายก็ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกไลไปเรื่อยเป็นเรื่องร่างกายเนี่ยเมา่ลูกหลา ย, ายรูปมารวมกันก็เป็นร่างกายแต่มองในแง่ลูกกับรูปประธาต ธาตุดินธาตุน้นำธาตุลมธาตุไฟจิตใจก็วิญญาณธาตุก็คือกายกับจิตนะรูปหลายๆรูปรวมกันก็เป็นกายเรียกว่ากายเป็นเวทนาความรู้สึกคือเวทนาสัญญาความจำได้หมายรู้เป็นสัญญานึกขึ้นมาสังขาร ปรุงแต่งจิตมันมาปรุงแต่งจิตสิ่งที่ปรุงแต่งจิตวิญญาณความรู้แจ้งอารมณ์มันไปรั่วอารมณ์มันก็กลายเป็นขันห้าไปเรื่องของเราทั้งนั้นเลยนั่นเนี่ยยังไม่ได้พูดถึงเรื่องอื่นเลยเรื่องของเราทั้งหมดเลยตั้งแต่ต้นว่าทำไมเราต้องเวียนว่ายตายเกิดคือมันมีตัวเราแล้วก็มีเจตนาจะทำกรรมทางกาย ทางวาจาทางจิตเจตนาก็เป็นเจตนาธรรมเพื่อตัวเราด้วยสันเจตนามโนสันเจตนาวจีสันเจตนากายสันเจตนามีเจตนาทำอะไรก็เพื่อตัวตนเพื่อตัวเราทางกายทางวาจาทางคำพูดแล้วก็เก็บความรู้สึก เป็นเราเอาไว้เนี่ยกรรมดีกรรมไม่ดีเป็นเราสะสมไว้ในจิตเป็นคุณภาพของจิตส่งผลมาเกิดเป็นเราเดี๋ยวนี้โดยอาศัยท่านพ่อถาานแม่พบกันแล้วจิตวิ ญ, ญญาณที่มาเกิดนั่นลงไปแล้วเจริญเติบโตขึ้นมาโดยใส่อาหารจากแม่มาทางสายลกทางเลือด พอมาเป็นทาลกแล้วจเจริญติบโตขึ้นมามีตาหูจมูกลิ้นกายใหญ่คอยรับรู้โลกภายนอกแล้วก็ส่งผลให้จิตของเราสบายไม่สบายสุขดูทุกข์เฉยๆเกิดขึ้นนี่เป็นวิบากของกรรมเดี๋ยวว่าผลของกรรมมันให้ผลถ้าเรามีสติรู้ทันแค่นี้ไม่เดือดร้อน เราใช้กรรมไปใช้กรรมไปเจ็บไข้ได้ป่วยใช้กรรมไปสบายบ้างไม่สบายบ้างใช้กรรมไปรักษาใจไมดได้ไม่ทุกเลยแต่ที่นี้มันไม่อย่างนั้ น, นสิสติปัญญาเราก็ไม่มีสติก็ไม่ค่อยมีวันวันก็หาแต่เงินหาแต่วัตถุสิ่งของข้าวปลาอาหารคิดว่าได้เงินเยอะๆจะมีความสุข ได้อาหารการกินอุดมสมบูรณ์มีความสุขได้บ้านใยญ่ยโตๆมีความสุขได้รถลาขับขี่มีความสุขแต่ว่ามันสุขไม่จริงอ่ะได้รถมือสองก็อยากได้คันใหม่ได้ปิกอัพมาแล้ว ก, ก็อยากได้รถเกง๋งรถเกง๋งญี่ปุ่นก็อยากได้รถยุโรปโม้ไปเรื่อยเลยทีนี้มันพอไม่เป็น ได้เงินเท่านี้พออยู่พอกินแล้วก็อยากได้มากขึ้นกลัวมันหายด้วยมันก็เลยทุกไปหมดเลยที่นี่ได้มาก็เป็นทุกไม่ได้ก็เป็นทุกมีลูกก็อยักให้ลูกดีกลัวลูกไม่ดีเอา้าเป็นทุกเพราะลูกอีกตอนแรกว่าได้ลูกแล้วจะมีความสุขเห็นเขามีลูกอยากได้ลูกพอได้ลูกมาเอา้าโอ้โหเป็นกังวลเลยที่นี่ กลัวเขาเจ็บกลัวเขาป่วยกลัวเขาไม่ดีเขาไปไหนมาไหนก็เป็นห่วงกลัวเขาเป็นอันตรายกลัวอุบัติเหตุโอ้โหสารพัดเลยได้สามีมาได้ภรรยามาก็ไม่เป็ใจมีความสุขนะกลัวไม่ถูกใจเขาอยากให้เขาได้ใจเราอยากให้เขาพูดอย่างนั้นอย่างนี้อยากคิดเหมือนเรา ไม่เขาคิดอย่างที่เขาคิดโอ้โหมันมีแต่ความทุกข์เลยนะเนี่ยมีแต่เรื่องราวอยู่ในจิตเพราะอะไรนี่แหละขาดธรรมะของพระพุทธเจ้าคนที่ไม่ได้ยินได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าจะทุกข์มากไม่รู้จักทางออกเลยแต่ถ้าใครมาได้ยินธรรมะของพระพุทธเจ้าจะรู้ทางออกรู้ทางออกคือยังไง เนี่ยอย่างวันนี้กําลังพูดอยู่ว่าทางออกของพุทธเจ้าคือยังไงก็คือมีสตินี่แหละพยายามให้จิตอยู่กับตัวเองซะก่อนเนี่ยสติเนี่ยทำอะไรมีสติทำอะไรมีสตินั่งก็มีสติเดินมีสตินั่งสมาธิภาวนามีสติเดินจงกรมมีสติทํานู่นทํานี้มีสติปาดกวาดบ้านกวาดเรือนมีสติขับรถขับเรือมีสติทําไล่ทํานาทําสวนมีสติสติมีกําลังขึ้นมามันจะไปคุ้มครองจิตรักษาจิตควบคุมจิตจิตอยู่ จิตที่เคยไปทั้งนูนทั้งนี้ตะเตลิดเปิดเปิงเออ่เริ่มเริ่มเริ่มอยู่เริ่มอยู่ะต่อมาสตินีกําลังขึ้นมาจิตจะไปเฮ้ยอย่าไปอย่าไปไปแล้วมีแต่เรื่องแต่ราวมีแต่ปัญหามีแต่ความทุกข์นี่จิตก็จะอยู่แล้วที่นี่ค่อยๆอ ย, อยู่เนี่ยสตินี่มันกันก้นไว้กั้นไว้เพราะนั้นสําคัญตรงสติมันจะกั้นของมันเองหน้าที่ของสติมันกั้นจิตรักษาจิตคุ้มครองจิตไม่ต้องไปอยากนะพอนั่งสมาธิแล้วก็จะอยาก ให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้อยากได้มรรคได้ผลอยากได้สติอยากได้ปัญญาอยากได้ความสงบความอยากไม่ได้ไม่ให้มีความอยากหรือมันอยากก็ต้องร่วมอยากสร้างเหตุอย่างเดียวคือพย า, ยามีสติมีสติมีสติสตแล้วสติไปคุ้มครองจิตคุ้มครองจิตพอสติมีกําลังกั้นจิตไว้ได้จิตที่เคยไปไม่ไปละอยู่อยู่อยู่อยู่อยู่อยู่จิตก็สงบลงไปเนี่ยเป็นสมาธิเนีย่ยวสมาธิสมาธิแบบ ตามอารมณนะ์ลงไปแล้วไปพักอยู่นิ่งอยู่เฉยอยู่เป็นเราสงบอยู่มายว่าจิตกับอารมณ์เป็นอันเดียวกันอยู่อะมันไปมันไปเฉยอยู่ด้วยกันอ่ะมันไม่รู้อะไรเลยอ่ะตามลม shower, ลงไปลมได้ยัลงลมไปมันก็ไปไปไปไปไปก็ไปอยู่ตรงนั้นน่ะเนี่ยมันไม่รู้อย่างอื่นไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงไม่เห็นอะไรคือมันตามไปตามไปตามไปแล้วก็ไปนิ่งอยู่ในนั้นนี่เขาเรียกว่าสมถะกรรมฐานแต่ถ้าหากว่าเออ มันเริ่มรู้เอออันนี้เกิดแล้วก็ดับอันนี้เป็นอย่างนี้เปลี่ยนแปลงไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราหรือว่าตามดูไปก่อนเร็ว่าสัมปชัญญะก็ได้ว่าเออรู้ขึ้นมาเพิ่มขึ้นแต่แรกตามอารมอย่างเดียวต่อมาลมเนี่ยก็ต้องรู้ด้วยเออว่าลมนี่แหมมันสั้นมันยาวมันใหญ่มันเล็กมันกว้างมันแคบ บ, คบังคับบัญชามันไม่ได้ถ้าอย่างนี้เร็วว่าเริ่มมีปัญญาแล้วเนี่ย มีสติสัมปชัญญะมีปัญญาเบื้องต้นถ้างหาว่ามันเห็นว่าโอ้ยจิตมันตั้งมัน่นคือมามันมีนมกําลังแล้วลมก็แหมมันเกิดดับไม่ใช่ของเราเลยเกิดเองดับเองเลยมีแต่ความเปลี่ยนแปลงเนี่ยธาตุลมไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอย่างนี้เป็นวิปัสสนาแล้วนี่พระเจ้าจึงสอนให้ให้รู้ธรระให้รู้วิปัสสน า, านี่พูดในแง่หนึ่งก็ ให้มีสติปัญญาก็ใช่หรือถ้าหาวพูดอีกแง่หนึง่งก็คือว่าถ้าจิตเป็นปกติเ ร, เรียนเ็วๆว่าศีลเนี่ยจิตไม่ยินดีไม่ยินไลนน่นานๆเดี๋ยวสมาธิเนี่ยวใจตั้งมัน่นเห็นมันเกิดมันดับเห็นว่ามันเปลี่ยนแปลงเห็นว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเห็นว่ามันเป็นธรรมชาติเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนี่เรียกว่าเป็นปัญญา ศีลสมาธิปัญญาอันเดียวกันหมดเลยที่นี่แล้วพระเจ้าก็ตัดเอาไว้ด้วยสติประธานสี่สมบูรณ์ทำให้โพชฌงกตสมบูรณ์โพชฌงกตสมบูรณ์ทำให้วิชาและวิมุตสมบูรณ์นี่บางทีท่านก็พูดแบบนี้ือหลุดพ้นเลยหลุดพ้นก็คือเหนือกรรมก็ได้เนี่ยเรียกว่าเหนือกรรมเรียกว่าสิ้นกรรม หมดกรรมเป็นอิสระจากกรรมก็ใช่นี่การมีสติมีสัมปัสัญญานี่แหละถ้ามันมีกําลังขึ้นมาทะลิวเป็นอริยมรมีองค์แปดมรแปดเนี 8, ่ยทางแห่งความพ้นทุกข์ก็คือมรแปดจริงว่าพอพระพุทธเจ้าสอนเรื่องกรรมเนี่ยก็สอนไปจนมีทางออกให้เป็นอิสระจากกรรม หมดกรรมสิ้นกรรมเลยนะทางที่จะสิ้นกรรมก็คือมาปฏิบัติมาเจริญสติสัมปชัญญะจนกระทั่งอริยมรรคมีองค์แปดสมบูรณ์ปานกิเลสได้เป็นมรรคเป็นผลเป็นนิพพานได้เาทีนี้ทำใจสบายๆนะผู้นี้ของกรรมแล้วทีนี้จะพูดพูดว่าเออ อย่างมาวันนี้ทำยังไงถึงจะได้ประโยชน์ก็คือทำใจสบายๆกรรมใหม่ให้ผลแล้วเป็นกรรมดีเราก็ได้มาฟังธรรมพอมาฟังธรรมแล้วธรรมะก็เป็นธรรมะของพระพุทธเจ้าถ้าอยากรู้ว่าบุญเกิดหรือไม่เกิดวันนี้นะดูว่าใจเราดีขึ้นไหมเนี่ยเพราะบุญคือการชำระใจพระเจ้าบอกถ้าว่าใจเราเนี่ย เออมันสบายขึ้นนันเศรษบุญเกิดแล้วเราจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจก็ตามแต่ว่าเราได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วเข้าใจมากเข้าใจน้อยไม่เป็นไรแต่ว่าให้ดูว่าเออใจเราเนี่ยมันสบายไหมเราทั้งได้มาวัดได้มาฟังธรรมะของพระพุทธเจ้ามาอยู่กับพระสงฆ์องค์เนรมาอยู่กับแม่ชีมาอยู่กับผู้ปฏิบัติธรรม มาอยู่ในที่เงียบสงบสงัดในสถานที่ที่พระพุทธเจ้าพาสาวกของพระองค์อยู่กันใจเราเป็นยังไงที่นี่นั่นสำคัญตรงใจเราแล้วนะถ้าใจเราเออรู้สึกสบายมีบุญเกิดแล้วแต่ก่อนใจเรามันเศร้าหมองหดหูเออเดี๋ยวนี้มันหายไปล้ไอ้เศร้าหมองไอ้หดหูนั่นนะใจเคยลุ่มร้อนขุ่นเครืองบ่อย เออวันนี้ใจไม่ขุนเครื่องใจเฉยเฉยใจสบายใจสงบนี่แหละบุญเกิดแล้วเพราะนั้นทางที่จะดับทุกข์นั้นก็คือถ้าจะมองในแง่ของการปฏิบัติเนี่ยต้องพยายามมีสตินานมาที่นี่แล้วนั้นที่นี่มีสติจเจริญสติทำอะไรให้มีสติไม่ต้องมีรูปแบบทำการทำงานทำนู่นทานี่พยายามมีสติเอาไว้ มีเวลาก็เดินโยงกลมเพราะอะไรเพราะว่าทำให้สติเราดีดีขึ้นเร็วเร็วกว่าปกติเร็วกว่าเราเราทำนู่นทำนี้พอบางทีเราสารวนอยู่กับการงานมากสติเรามันก็เล็ดลอดออกไปมากเนี่ยแต่ว่าการที่เราได้อยู่ตามลำพังได้สังเกตดูจิตใจของเราเนี่ยสติมันจะดีกว่า เพราะว่าสติเรายังกำลังยังไม่มากพอเราก็ต้องมีการหลีกหลีกออกไปอยู่ตามลำพังมีการเดินจงกรมนั่งสมาธิดูจิตใจตัวเองเรียนรู้ตัวเองศึกษาตัวเองตอนแรกก็เหมือนเราปฏิบัติก่อนนะเราต้องพยายามก่อนจเจริญสติไปก่อนแต่พอสติมันมีกำลังขึ้นมาเนี่ยสติจะเป็นเองเนี่ยมันจะง่ายตรงนี้นะมันจะดีขึ้นตรงนี้สติเป็นเองเลยนะ มันจะตามดูจิตเองรักษาจิตเองคุ้มครองจิตเองใจก็ตั้งมั่นขึ้นเรื่อยๆมีกําลังขึ้นมาแล้วมันจะมีปัญญาเองเห็นเองรู้เองเข้าใจเองปล่อยวางเองตอนหลังมาเป็นเองหมดแต่ตอนแรกเราต้องปฏิบัติซะก่อนตอนปฏิบัติก็มีหลักว่าต้องพอใจปฏิบัติพอใจสร้างเหตุเท่านั้นไม่ให้มีความอยาก ไม่ต้องอยากว่าผลต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นี่ถ้าเข้าใจอย่างนี้ก็ให้เราปฏิบัติต่อไปวันนี้ก็ให้ภาวนากันต่อไปสักระยะหนึ่งนะก็จะภาวนาต่อไปไม่นานหรอกห็นจะให้ได้ดูตัวเองบ้างพอพูดมานานแล้ววันนี้พอแค่นี้นะน ขอนมแด่พระผู้มีพระภาเจ้าพระองค์นั้นอรหโตซึ่งเป็นผู้ใกลชากิเลสสมมาสังพุตทาพระเสือรูชอบใกลโดยพระองค์เอง